ความรักตัวนี้คต้องป้องหมายความรอเรือไม่ชะลอนในความรักที่หลวงพ่อมีในฐานะที่เป็นพระเนี่ยนะคะจะมีความหมายว่าอย่างไงคะรักแปลว่ารอเรือรักตัวนี้แปลว่าปรารถนาดีค่ะปรารถนาดีแปลว่าอะไรแปลว่าเมตตาปลานีอริเ อ, อเฟอ้อขาเหลือใครดูกันเป็นความปรารถนายอดชีวิตในศาสนาเรียวกว่าความรัก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 คนปลอมหาง่ายทองคำก็ปองหาไอทองทุบมันเยอะเหลือเกินมีคนดีก็มีคนชั่วมีทองคําก็มีทองทุบแต่ขอใจเป็นพอรอมว่าความลักที่มโนต้องการมีอะไรบ้างอาตมาจะพูดตรงนี้ก่อนค่ะอาตมาที่ท่านด็อกเตอร์มาถามอาตมาว่ามีความรักมีอะไยพุณเจ้าสาวให้เกลียรกันมีอะไย สอนให้รักกันทั้งนั้นปรารถนาดีต่อทุกคนอย่าไปเกลียดกันอย่าไป อ, าอย่าไปอิจฉาลิษยาการไม่ใช่หรือรายการได้สอนให้รักพระสะักธรรมะคีสร้างความดีร่วมกันคร่วมบันคิดร่วมกันประดิษฐ์สร้างสรรนิ่มดำเนินอานที่อย่าลออรีจะเป็นปการรายรยิ้วกับความรักแต่ความรักความที่จริงใจของมนุษย์ขอเจริญพรท่านท็อตเตอร์ไหนก็จะมีเหตุผลให้ฟังไม่ใช่ดอกไม้เป็นความรักนั่นเป็ฉัญจะรัก เป็นแค่สั ญ, ญลักษณ์แต่ไม่เป็นความจริงใจเป็นของปลอมดอกไม้เป็นของปลอมมันไม่มีความนักจริงแต่ประการใดแต่ขอจะพูดให้ฟังสิบข้อที่มนุษย์ต้องการในชุดิมีอยู่สิบประการคือเบมนุษย์ต้องการอะไรข้อหนึ่งคือความลักสองความนิยมชมชอบสามความเลื่อมสายสาัทธาสี่ความมีมติติจิบมีสภาพห้าความเอาใจใส่หความ เคารพับถึงเจ็ด ค, ความเมตตาแปดความเห็นอกเึงนใจเก้าความเป็นกันเอง1ิบความเป็นธรรมชาตินี่มันตองการนี่ ค, ค, คือความรักเพราะฉะนั้นความรักนี่มันตระกูลของมันเลยนีตระกูลมันมีสิบประการ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 คำถามที่เรียนถามหลวงพ่อต่อมาก็คือคนเราเนี่ยนะคะบางที่เรารักเขามากเหลือเกินนะคะแต่ว่าเขาไม่รักเราตอบเพราะฉะนั้นยิงทิ้งซะเลยดีไหมหลวงพ่อขาความรักอย่างนั้นถูกไหมคะเขาไม่รักเราเนี่ยเราฆ่าก็ทิ้งเลยนี่ร่าออกไตเติ้ลในฝั่งไตเติ้ลในฝั่งมีไตเติ้ลด้วยนะค่ะบางคนเนี่ยปริญญาทอมาร้องไห้ร้องล้อค่ะเขาไม่รักหนูเขาไม่รักหนูเขาไม่รักหนู ปริญญาโทธุราเขาไม่รักหนูหนูเข้ามาไใกล้ๆนี่ปริญญาโทนะ่เขาไม่รักหนูใช่ไหมไม่เป็นไรแผ่นดินไม่ร้ายเท่าใบพุทราจำไว้แผ่นดินไม่ร้าเท่าใบธุราคนอื่นเยอะแยะไปที่คนรักเราทําทไมโง่เราเป็นด็อกเตอร์ออมาขอพักทานโทษปริญญาโททําไมโง่โรกูนาะไปรักคนที่เขายังรักเราอยังมีมากหนู ไอ้คนไม่รักเราเนี่ยไปรักมันทําไมแล้วค่ะชัดเจนไหมเนี่ยค่ะโปรตุณาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายโปรดรักคนที่เขารักเรายังมีอยู่มากในโลกเยอะคนนี้ไม่รักคุณอื่นมันต้องรักเราดันตามไปรักไปไปคืบตามไ้คนที่ไม่รักเราต่ อ, ตปป อ, สอตเสียหายมีความรู้ถึงปริญญาโทไม่น่าเป็นอย่างนเนี่ยขอฝากไว้ว่าอ่าเนี่ยเขาไม่รักเราเราจะไปรักเขาทําไม มันมีความหมายอยู่มากเขาจะเป็นพออย่างนี้ไปก่อนมีอะไรสงสัยถามเลยค่ะที น, นี้สําหรับหลายคู่นะคะที่เป็นสามีภรรยากันหรือเป็นคนรักกันก็ดีนะคะทําไมรักๆไปแล้วมาถึงได้จืดจางได้สงพ่ อ, อะคะทำไมความรั ก, กมันมนีขึ้นขึ้นลงลเจอเจอตอนๆขึ้นขึ้ลงลงเพราะคนมันไม่มีหลักความสัมพันธ์ทําไมจีนค่ะความรักคือความดีไม่มีปผูกพันไม่มีความดีได้ความรักตัวนี้แปลว่าปูกพันผูกพันไปแล้วความดีมีต่อกันไหมไม่มีเลย เขาจะเรียนพรคนยุคใหม่สมัยนี้อย่าหาว่าจะมาว่ารุมแวนเสียดสีเลยคนยุคใหม่สมัยนี้เขาจะเรียนพรเราช่วยเขาได้มากเขาจะรักเราากเราช่วยเขาน้อยเขาจะรักเราน้อยเราเหาโอากาสช่วยใครยังไม่ได้เขาไม่รักเราเลยคนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นแล้ว <C. S 2> แต่เพราะนั้นที่ดอกตร ถ, ถามว่าไงเช้ามีปัญญาค่ะมีรักขึ้นขึ้นลงนลงมันมีจิตจางไม่เสมอต้นเสมอปลายจุดจางง่ายๆเพื่อ รักในด้านการมาคุณรับ oh, <okay. S 2> ักในด้านกามคุณหนึ่งสองรักในเรื่องสมบัติภันธฐานว่าเขามีเงินมีทองเนรักเขานอะเขามีการมาคุณในรักเขาขอประธานโทษจะพูดก็ขอไปทานโทษมันหยากไปหน่อยแต่ต้องพูดอย่าเป็นคู่นอนกันเลย <Okay. S 2> ขอให้เป็นคู่ทุกคู่ยาคูลำบากด้วยกันเธอประเสริฐแล้วค่ะ <Okay. S 2> ถึงจะรักกันทนเพราะเดี๋ยวนี้ไปไงรักกันด้วยกามาคุณเท่านั้น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 โอ๊บอ้มารีวัจีเพะสงฆ์ทุกคนเขาวางตัวในกลางไหมนะจิตใจมีอัจฉริยะาสาัยไหมไม่มีอัจฉริยะสายเลยไหนเลยเลยมันจะดีเจะจะไม่มันก็ขึ้นคืนลงเดี๋ยวก็ทิ้งก็ได้จืดจามก็ได้เพรา ะ, ะไม่มีความดีต่อกันความดีไม่ต่อการไม่มีการจืดค่ะไม่มีการชื่อต่อการเอประทานโทษสามีปัญญาต้องพูดคำหยาบลักน้ําหนึ่งน้ำใจไม่อัจฉริยะสัยและความเดีเนี่ย เช็ดก้นเช็ดอะไรกันได้หร่ะไม่เดือดแล้งเกลียดเดียดฉั้นจัด ก, การได้ทะลักแน่ได้กรรมาคูนทรพบัติทั้งหมดเลิกเลยทำอะไรให้กันไม่ได้เลยเขาจะรล่วพร อ, อย่างนี้แน่นอนที่สุดถูกต้องท่านผู้ชมคะเราเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาเราจะถามคำถามเด็ดว่าชีวิตหลวงพ่อเคยมีความรักหรือเปล่านะคะสักครู่ค่ะ ท่านผู้ชมคะเราอยู่ในรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนะคะเป็นตอนที่สองค่ะกำลังถามถึงหลวงถามหลวงพ่อถึงคําถามเด็นนะคะว่าหลวงพ่อเองในในชีวิตของหลวงพ่อเคยมีความรักหรือเปล่าหลวงพ่อคะขอเจริญพรต้องบอกตรงเลยมีไ ม, ม่แน่นอน ข, ขอฝากไว้ความรักอย่างที่พูดมาเป็นหลักธรรมค่ะเป็นตาแ ม, ม่ตาเมียแต่เด็กนะแต่ที่จะมีเป็นคู่ครองหรือว่าคู่สาวไม่มีค่ะก็ขอประทานโทษนะค่ะ เมื่อเป็นเด็กๆเือหนุ่มรุ่นขึ้นมาเปลียดผู้หญิงมากค่ะแล้วเปลียนท่าด้วยเปลี่ยนท่าด้วยนะเปลียนท่าตัวมาเป็นพระเปลียดผู้หญิงเต็มวัดหมดเลยเป็นหมื่นเป็นพันะค่งเปลี่ยนยิ่งก็ไปถากวัดที่นี่ผู้หญิงเยอะผู้หญิงเท่านั้นแล้วข้อองค์อื่นก็บอกว่านี่วัดที่ไม่มีแต่ผู้หญิงท่านไม่รู้กฎเหงบเปลียดผู้หญิงมันก็มากันเต็มหมดเลยเปลียนท่าตัวมาเป็นพระขอเจริญพรยังไงเปลียดผู้หญิงจะแท้เต็มวัดหมดเลยเป็นพันเป็นหมื่น นอนค้นแกงก็เป็นหมื่ น, นยิ่งเกลียดยิ่งเข้าใกล้จำไว้ยิ่งเกลียดยิ่งเข้าใกลย้ยิ่งรักยิ่งออกห่างไกลเราไม่เกลียดได้ไหมแผลแม่ตายเกลียดออกไปรักเข้ามาแทนที่สร้างความดีกันต่อไปคถึงจะถูกอตาตมานเนี่ยถ้าทูตสาวไม่มีแต่ความรักทั่วไปแม่ตาปราณีอารีเอื้อเพื่อขา่าวหรหืดูการมีแน่นอนความรักอย่างนี้มีนหน้่นอนเรารักเข้าทั่วไปแต่รักอะไรจะทนทานต้องต้องรู้ไหม รักที่ทนที่สุดอันตมาสร้างมาแล้วแล้วหามาแล้วด้วยมีมาแล้วด้วยรักไม่มีเรื่องราวก็ใ ค, ค่ะองค์นี้รักไม่มีเรื่องก็ใครบางคนรัก ม, มีเรื่องเยอะต่ออู้เช้ามาบอคอยแตะองค์นี้รักมาตั้งแต่เป็นเด็กมาจนบัดนี้ไม่มีเรื่องก็ใครอยูที่เราลัก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 นี่เจ้าเบา่าแต่งตัวสูทนี่เจ้าสาวแต่งตัวนุ่งกระโปรงเราก็ให้วาดสามีภรรญาต้องปกครองกันอย่งงางน้นอย่างนี้อธิบายอขู่รักขู่ขู่เนี่ยคู่อะไรขู่รักหรือคู่นอนอะไรก็แล้วก็สอนไปหนักเล็กเบาหน้อยให้อภัยกันสอนไปสอนไปสงสัยพอแม่มาหมดเราก็เห็นหนอเห็นหนอนแปลก ข้างนอกไปเหมือนการข้างในไม่เหมือนกัน <Okay. S 1> แปลกแปลกมากข้างในเหมือนกันค่ะเ <Okay. S 1> ลยเปลี่ยนคําพูดใหม่ค่ะข้างนอกนี่เป็นจะาเบาะนี่นี่เจ้าสาวแต่ข้างในเหมือนกันเลยแล้วก็บอกว่าหนูเอ้ยแต่งงานกันดีแล้วค อ, อนมโนมุทนาอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปนะจะให้พร อ, อยู่เย็นเป็นสุขให้รวยสวยุขีมีปัญญา แต่มีบุตรธิดาคงไม่ได้มีบุตรธิดาคงไม่ได้เนะนเพราะจะได้เพราะเหมือนกันเช่นนี้มีไม่ได้หรอกพ่อแม่ยิ้มแต่พ่อเก่งมากรู้ราบรู้ที่ไม่รู้จะให้อาว่าดได้มีบุตรธิดาไม่ได้จะรวยได้ค่ะบัตรนี้ยังอยู่ดีกันมีปั๊มน้ำมันดอกสามปั๊มพ่อแม่จงึงคู่ึ้นมาทันทีค่ะทั้งสองข้างบอกน้อพ่อค่ะ ไม่ทราบจะแก้แก้ไม่ได้ต้องตามใจเขา้าไม่แจงให้จะฆ่าตายจะฆ่าตัวตายดีนี่ยังอยู่ด้วยกันค่ะและ้ะแตมาพูดยังแม่นมากค่ะตอนบัานี้ยังไม่มีบุตรดาค่ะมันจะมีได้าายังไงเป็นผู้หญิงด้วยกันทั้งคู่เลยค่เป็นผู้หญิงด้วยกันคู่แต่พ่อแม่เขาไม่ว่ากันก็ขอเจริญพรเป็นกฎแห่งการมจากการรมทํามมาจะชชากดค่ะนเขาต้องมาเป็นคู่ครองกันอย่างนี้เขาผูกพันกันมาตั้งแต่ชาตก่อนพันไม่ได้ชาติก่อนห้าไม่ได้ แล้วไม่ต่อไปว่าเขาเลยอย่าไปว่าะเสียเสียเกลิ่นเสียจะแปกเสียใสเกลื่อนบอกล๋าถ้าถ้าอย่างนั้นหมายความว่าพุทธศาสนาไม่รังเกียจใช่ไหมไม่รังเกียจท่านต้องเคยฟังพุทธะผู้หญิงผู้ชายไม่มีเพศน้าพุทธโพุทธะไม่ลดละภาวนามีผู้หญิงผู้ชายะแบบไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้ทําไมจะไปรังเกียจกัน ผู้หญิงก็เป็นท่าได้ผู้ชายก็เป็นท่าได้ผู้หญิงบวชแทนคุณบิดามารดาได้คือมีตําริคาสามผู้ชายบางทีบวชเป็นท่าแต่ไม่ปฏิบัติธรรมจะแทนคุณบิดามารดาได้อย่างไรคแทนไม่ได้เนี่ยเป็นความจริงอย่างนี้มีมานานแล้วคเป็นการแก้ปัญหาไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งบางทีเนี่ยทศชายก็เป็นผู้หญิงนะแต่เขาไม่ลูกชายคนเดียวเนี่ยลูกชายมั้สมมุตินะคบวชให้พ่อแม่ บวชได้บวชได้หมวดแล้วศึกศึกมาก็เป็นผู้หญิงต่อไปแล้วประกวดนางงามได้ทีหนึ่งตลอดลประกวดนางงามได้ทีหนึ่งเลยจนเขาบอกว่าเลือกประกวดที่โล่เต็มบ้านแล้วค่ะแล้วแล้วความจริงเนี่ยกิ็ขึ้นค่ะแต่ที่บวชไม่ได้คืออะไรบวชไม่ได้คือเกยค่ะไม่แพทย์หญิงแพทชายช่งของอยากอาตมาจ่าแปดชุวัน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 บอกหนูมานีิชพนามานินะบอกความจริงได้แหละถ้าหากว่าเขายังไม่ น, นั่งกรรมฐ า, านยังไม่จิตไม่มันโคง้งจะไม่อดทนถ้าบอกเขาจะฆ่าตัวตายเ<ม>ขาไม่ได้บวชนี่เขาจะฆ่าตัวตายชัวร์นี่แน่นอนมาหลายวัดแหละบวชไม่ได้มาวันนี้เขาจะฆ่าตัวตายให้ น, นั่งกรรมฐ า, านให้ อ, อุดทนก่อนให้ตรงตกก่อนพอตรงตกแล้วเราก็บอกเลยบอกนี่ขอโทษขอดูหน่อยค่ะต้อบอกตรงนะ เขา้ตาร่วงมาด้วยปีติบอกอะไรไม่เป็นไรบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมนั่งกรรมาฐานได้เลยเลยก็ไปข้างนายขอดูมีทั้งสองเพศค่ะอย่างนี้บวชไม่ได้เขาจะเริยพรอย่างบวชไม่ได้เนี่ยแต่อย่างอื่นเนี่ยบวชได้เมืน ค, ครบเนี่ยแต่มันเป็นที่จิตใจเฉยๆจิตใจเฉยๆจะเป็นชายก็ได้เป็นหญิงก็ได้พระนั่นเขาจะเรียนพรว่าพุท ธ, ธพุธโทโธจิปิโซภะกวา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 ประเภทบางทีเนี่ยแต่งตัวเป็นเป็นผู้ชายาแต่เขาเป็นผู้หญิงแต่ใจเข้มแข็งมากยกนี้หรืปทท้ปฏิบัติทำไหมปฏิบัติได้เลยคนอื่นยังไม่ได่าสู้เขาไม่ได่าไอพู้อย่างเนี้ยผู้จิตใจอย่างเนี้ยได้ไวด้วยชอบมั่นใจมั่นใจตัวเองมากแล้วก็สนใจตัวเองมากเวยแล้วก็ยังผู้หญิง แต่งตัวเป็นผู้ชายเขามั่นใจเขาเป็นผู้ชายเขาชอบแต่งตัวปฏิบัติทำได้ด้วยได้ก็ดีกับคนอื่นมาใครได้ใจมันมั่นใจมั่นคงมากกว่าไอ้คนธรรมดาเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ใจเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขามั่นใจอยากให้เขกร่งใจอดทนแต่บางคนเนี่ยเป็นผู้ชายช่แช แต่ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงค่ะจายจายเขาเป็นผู้หญิงจายเป็นผู้หญิงแต่เขาไม่อ่อนแอไม่อ่อนไหวจต่อดทนอดทนมั่นคงในหลักธรรมปฏิบัติได้ค่ะแล้วได้ดีด้วยค่ะนี่มีตัวอย่างชูวัฒนนี่เลยตอนนี้จามานบอกเอ้ยไม่ได้ตั้งกฎกาใหม่แต่คนเนี่ยผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิงไม่รับ เขาก็เสียใจลองรับดูสิเอะปฏิบัติดีแล้คนอื่นอีกปฏิบัติดีแล้วตีสามตื่นแหละเขาบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อค้าหนูเนี่ยร่างกายเป็นผู้ชายแต่ิตใจเป็นผู้หญิงทำกับข้าวเป็นทุกอย่างหนูใจอ่อนอยากจะใจแข็ ง, ม, งมาน่ากามทานก็เข้มมวดกุดขัวต่างใจเดินกระรลงได้เลยใจเข้มแข็งต่อไปอีก มันมีตัวอย่างอยู่นี้แต่เขาไม่สามารถจะเปลี่ยนไอ้พวกร่างกายของเขาได้ค่ะเพราะขามีอะไรที่จะอบรมสั่งสอนเราไหมคะในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะอ๋อจากความรักขเขาเจริญพรคนรักเ อ, อคนเราเดี๋ยวนี้ขเขาเจริญพรค่ารักธรรมรักการเห็นแก่ชื่อเสียงรักการเห็นด้วยกา ร, รมคูนและาลทรัสาทสมบัติเท่านั้นรักความจริงนี่หายากมากไม่มีความจริงใจต่อกันเลย ความรักที่จริงใจต่อการคือรักที่มันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ความรักตัวนี้คือรักโดยหลักธรรมคำสอนขอ้อมูเจ้ารักโดยน้ำใจหนยใจไม่มีน้ำใจกันเลยคนยุคใหม่สมัยไม่มีน้ำใจเที่ยมโหดท า, า, ารุณดูร้ายคาสาบตัวเป็นจ้าตาด้วยจะมีความรักอะไรที่แน่นอนไม่มีความรักรักหลอควงล้วงกระเป๋าเราทั้งนั้น แถมทั้งรักทั้งแคร์ทั้งแนนในช่วงทั้งหึงทั้งขวงหนักหน่วงในหัวใจรักแคร์แนนช่วงตลอดในการรักแท้หามไม่ไม่ขอใจร้นอนคนที่รักแท้เนี่อรักเป็นความจริงของชีวิตชายจริงไหมหญิงแท้ไหมคนแก่ที่หนาบูชาไหม ค, ค, ความรักเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนเปลี่ยนสภาพจากความจริงใจกลายเป็นคนไม่จริงใจคเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยต้องเป็นความจริงใจก็ขอฝากญาติโยมทั้งหลายด้วย โอดรักคือความจริงใจช่วยเหลือกันอรีย์รอบเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อการเทิดพระเกศแล้วพ่อแม่โปรดช่วยลูกดูแลลูกให้มากที่สุดให้เขาได้เรียนหนังสือเน้อหาตลอดไปจนกว่าจะสำเร็จในวิชาการของเขาเหล่า น, นั้นเป็นความรักของพ่อแม่แต่หากว่าประชาชนคนไทยเดี๋ยวนี้เริมรักกันน้อยคะเกลียดกันมากแล้วเกินขอให้รักกันมากๆหน่อย啊 เดี๋ยวนี้เกลียดรักกันน้อยเกลียดกันมากและก็แตกแยกกันมากเป็นพักเป็นพวกไปมากมายหลากหลายมาด้วยความไม่ดีไม่ชอบไม่พาคนแต่ประการใดขอให้รักสามัคคีร้องนองเหมือนญาติพี่น้องกันต่อไปเฉดประสริฐเนี่ยไม่มีอะไรดีก็ดีพี่จงรักน้องค่ะน้องจงรักพี่สร้างความดี้พ่อแม่ต่อไปอย่าแย่งสมบัติพันธสัญญาเลื่อนพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ย ช่วยลูกมาแล้งเลี้ยงลูกได้ทุกคนแต่ลูกเลยเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้ก็ขอคามฝาพี่น้องเราชาวไทยทั้งหลายโปรปองดองหมันญาติพี่น้องกันทุกคนบางกายเลี้ยงเคียงช่วยเหลือกันตลอดไปนะบัดนี้พ่อแม่ช่วยดูลูกลูกตรงเก้าวตันดูตัวเวทีต่อพ่อแม่สุดต่อไปก็เป็นผมสําเร็จในการรักการรักสามัคคีสร้างความดีและปลองดองพี่น้องจงรักการสามีภรรยาอย่าทะเลาะกันเขมิบาัาบอย่าทะเลาะกันเลย ตรงสร้างความดีให้กับลูกทำถูกใยกับหลานและให้ถูกวิธีทำความดดีให้ลูกดูต่อไปขอเจริญพร อ, อย่างนี้ค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ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 อายุเจ็ดขวบค่ะอยู่เชนปองในโรงเรียนสาธิตเกษตรนานาชาติค่ะน้องมายนะคะได้เป็นยุวชนตัวอย่างด้วยค่ะกลับนมามัสการค่ะหลวงปู่วันนี้นะคะน้องมายนะคะมีคําถามที่จะมาถามหลวงปู่มากมายเลยค่ะหลวงปู่ค่ะถ้าเกิดครอบครัวเนี่ยนะคะมีธรรมะ ใ, ในจิตใจเนี่ยนะคะ จะทำให้ครอบครัวมีความสุขได้หรือเปล่าคะอ๋ออจนรพรคุณหนูถามว่าครอบครัวมีธรรม ะ, ะจะมีความสุขได้ไหมใช่ละคะ่ะอ๋อความสุขในครอบครัวหรับหนูถ้าหากว่ายกตัวอย่างพ่อแม่ในครอบครัวเนี่ย ขนสามีภรยาเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกดีไม่ทะเละาะวิวาทกันมีคุณธรรมสมส่วนควรกันมีควัวธรรมคือมีศีลมีสติขัมมะชัญญะดียิ้มแย้มแจ่มใสต่างใจโฆนณาเจรจาเพละส่งเพราะเอือเฟื้อขาเลื้อยให้ดูแขกไม่แตกลูข้ามายินแย้มแจ่มใสบ้านนั้นก็มีความสุขความเจริญเพราะมีควัวธรรมคือหลักทัรมในธรรมะถ้าบ้านนั้นทะเลาะกัน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 อ๋อหนูเข้าใจถามนะไปรู้มาจากไหนเล่ว่าพ่อแม่เป็นพระละหันเนี่ยไปรู้มาจากไหนเขารู้กันเพระว่เห็นเขพูดกันนะฮะเขาพูดกันเยอะเหรอะมาเกงมากหนูมาเก่งพ่อมาพระละหันเรียกว่าพระในบ้านพ่อดีแม่ดีมีปัญญาเลี้ยงลูกดีมีกุศลได้ผลงานในบ้านในครอบครัว ลูกดีหมดทุกคน เ, เหมือนประดุษว่าพระอาหารหันต์พ่อแม่เนี่ยคุณหนูลักลูกด้วยความบริสุทธิ์และลักลูกให้ลูกได้ทุกอย่างจ ะ, จะอะไรก็ได้ที่ความดีทั้งพ่อแม่จะมีอยู่ก็มอบหมายให้ลูกหมดทุกอย่างลักลูกอย่างบริสุทธิ์ใจแล้วก็ให้ลูกได้ทุกอย่างแต่ลูกลูกใหม่สมัยนี้ไม่เคยให้พ่อแม่เขายังเปรียบเหมือนพระอาหารหันต์เพราะรักลักลูคือลักด้วยความบริสุทธิ์ใจ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 อยู่ที่พ่อแม่ลูกจะดีได้ <คะ S 1> เพราะดีคืออะไรทําให้ลูกเป็นคนดีได้ทาให้ลูกเป็นคนชั่วได้ถ้าพ่อแม่แบบแผนไม่ดีแล้วลูกเสียหมดเข้าใจไหมหนูแม่ดีนะลูกดีหมดเป็นแบบเป็นแผนแม่บางการเรียนคณิตาสต ร, ร์แม่แบบแม่แผนแม่เปลนลูกดีหมดดีแปลว่าอะไรแปลว่าละความชั่วดได้ละความชั่วไม่ได้ดีไม่ได้หนูเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจนะไอความ ความชั่วหนูถามว่าดีกับชั่วใช่ไหม ค, ความชั่วคืออะไรไม่เป็นที่ตากธนาของประชาชนไม่เป็นที่สนใจของประชาชนจึงเรียกว่าความชั่วความชั่วมันทําให้เป็นคนทุกข์ไม่มีความสุขต่อไปการใด ค, คนดีคนชั่วจึงแตกต่างกันอย่างที่อกล่าวมาคนดีต้องเป็นที่สนใจของประชาชนคนดีต้องมวีวิชาความรู้คนดีต้องมีหลักฐานมี กิจกรรมที่มีประโยชน์ข้องนับจนคนดีต้องละความชั่วด้แต่ละความชั่วไม่ได้ดีไม่ได้แน่นอนหนูเข้าใจไหมนี่นะขอฝากให้หนูไว้เข้าใจม <Okay. S 1> อย่างนี้ดูก็ชั่ว okay. ช่วงวัยรุ่นรักดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุธาซินีอ น, นาคณาชื่อเล่นเบย์เตย์ค่ะปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นม .1 โรงเรียนเซนเตอร์เซฟต์คอนเวนค่ะกราบในมัสการหลวงตาค่ะวันนี้เบเตยก็รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยละค่ะที่ได้มาพูดคุยกับหลวงตาเพราะว่าเบเตย์มีปัญหาหลายข้อที่ไม่สามารถตอบกับตัวเองได้ค่ะ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 ความที่เสียกระไรของเขาถูกต้องสำหรับ ท, ท, ที่ที่ที่ที่หนูตอบแต่ไม่ถูกต้องสำหรับของหลูงตางั้นหลวงตาช่วยชี้แนะด้วยความรักตัวนี้รอเรือท่านู้อยู่ในวาเรียนควรจะรักด้วยเมตตาราธนาดีเท่านั้นแฟนแปลว่าเย็นใจคบเพื่อน แบบแฟนเย็นใจสอนวิชาให้เราแนะแนวทางการเรียนอย่างนี้จะไม่เสียเลยแต่ความรักตัวเนี้ยมันมีผูกพันเรื่องอะไรไหมหนูต้องเข้าใจหนูยังอยูอย่ในในในยาววยนี้ต้องเข้าใจว่าความรักอันนี้สำหรับเด็กวัยรุ่นไหมถ้าอยู่การเรียนจะไม่เสียหายความรักตัวนี้คือปรารถนาดี แต่คนนั้นจะเป็นหญิงก็ตามจะเป็นชายก็ตามเขาปรารถนาดีกับเราอย่างไรต้องเข้าใจนะขเขาปรารถนาดีแบบไหนแบบชู้าหรือเปล่าถ้าปรารถนาดีด้วยความตั้งใจให้เราตั้งใจเรียนหนังสืออาจจะตีวิชาเราก็ได้แนะนําเราไปกวดวิชาก็ได้การเรียนหนูจะไม่เสียเขารักเราอย่างไรเราต้องดูเหตุผลเขาว่าเขารักเราเพื่อหวังดี หวังดีต้องการจะให้หนูเนี่ยไปติวิชาต้องการให้หนูไปเรียนดนตรีไทยที่กทมแล้วหนูไปเรียนดนตรีไทยก็มีเรีดนตรีไทยก็จะเกิดผลก็ดีขึ้นก็ทําให้เกิดมีสติปัญญาะขอฝากท่าว่ารักแบบนั้นหนูจะเสียการเรียนในการทูตสาวอขอฝากหนูไว้เท่านี้ก่อนเขาจะเริญนผอนแล้วในความรักเกี่ยวกับรุ่นหนูเนี่ย หลวงตาคิดว่าเป็นเรื่องที่เสียหายหรือเปล่าคะลักแบบที่กาวมาเนี่ยจะไม่เสียหายคือลักแบบที่ว่าสร้างความดีปรัชนาดีด้วยความเมตตาอาอรีเอืเอ้อเฟื้อข่าเหลือขึ้ดูกันด้วยสายสัมพันธ์ของบุมจุดสัมพันธ์ พ, นพระพุทธเจ้าเรียกว่าเมตตาความว่าเมตตาตัวนี้คือปรัชนาดีจะไม่เสียหายถลั ก, กันแบบทูสาวพูดตามกรกรองจะเสียหายและการเรียนจะเสียด้วยอ๋อค่ะเข้าใจยังคะเข้าใจค่ะยังไม่เยอะเอาแค่นี้ก่อนเน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 เราอยู่ในวัยเรียนใช่ไหมใช่ค่ะวัยรู้ไม่ใช่วัยร้ายค่ะถ้าลากตาบอดคือวัยร้ายวัยร้ายคือลากแทงแน่นช่วงหึงหวงหนักงงไม่เข้าใจบ่าบอคอแตะทั้งลากทั้งแทนทั้งแน่นในช่วงทั้งหึงทั้งหวงนี่ลากอย่งนีตาบอดค่ะตาบอดเนี่ยถ้าเรามีเมตตาต่อกันเพื่อเฟื้อต่อกันในความดีแล้วตาไม่บอดหรอกธรรมะแปลว่าเกิดแสงทั่วค่ะไม่ใช่มืด กูหนูฟังน ะ, ะอย่าเป็นมาแหกคอกชามปอกแตกมันจะตาบอดตลอดไปเพราะเรือเนี่ยนาวากูหนูฟังนะเราเป็นนักเรียนนักศึกษาจะเป็นปิญญาเอกต่อไปในโอกาสข้างหน้าจอดเรือต้องดูท่านั่งต้องดูพื้นจอดเรือมาอยู่ท่าเรืลล<ม>อล่มนะล่มอ่าล่มนะจะตาบอดมาแต่มันจะแย่ตอนตายเข้าใจไหม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 ต้องตัวใครช่วงมันเข้าใจไหมคะบาปบุญคุณโทษนี่ตัวใครตัวมันค่ะบาปบุญคุณโทษเนี่ยใครทําดีได้ดีใครทําชั่วโดยชั่วเข้าใจไม่หนูเหมือนกินข้าวใครกินก็อิ่มใครไม่รับทานก็หิวตามเคยคใครสร้างความดีก็ด่าแต่เรานี่จะไปแทนเขาไม่ได้หรอกสมมติว่าอย่างเนี้เอาไหมสมมติว่าหนูหิวข้าวแล้วสตังเนี่ยเอาปัจจัยเนี่ยไปให้เพื่อน ไปเสซ่อกับข้าวแล้วทานให้โอนความอิ่มมาให้หนูได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็เช่นเดียวกันเราจะไปแก้เขายังไงเขา้าใจยังคาเข้าใจแล้วเนี่ยเราทําบุญเนี่ยเพื่อจะแก้ทมให้ครั้งให้เขาเป็นคนดีเนี่ยนะอย่างยากอย่างยากตัวใครโจว ม, มันทํำดีจะดีทําทั่วจะตัวของใครของมัน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 น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิเมื่อพูดถึงเรื่องความรักเมื่อพูดถึงเรื่องครอบครัวนะคะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะรู้นะคะก็คือว่าเราจะเลือกคู่ครองของเราอย่างไรนะคะวันนี้มากราบนมันสการของพ่อกันคุณพ่อคะการที่เราจะเลือกคู่ครองเนี่ยนะคะเราจะต้องมองอะไรเป็นปัจจัยสําคัญคะอ๋อเขจะเลี้ยงคนเราเดี๋ยวนี้ก็ ขอจเจริญพรแบบการเลือกคู่ครองตามยุคใหม่สมัยนี้คเขาไม่ค่อยเลือกเจเช้าได้เย็นค่ได้เย็นชิ้นชาวไม่มีหลักคุณธรรมไรเหตุผลมากเมื่อสมัยก่อนนางมาแล้วนั้นปู่ย่าตายายเข้าวัดเขาวากันมีหลักธรรมเลือกคู่ครองแสนจะยากข อ, ขอจเจริญพรแ่บ ก, การจะมีเย้ามีเรือน จะปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกูตามใจผู้นอนก็จริงแต่ต้องมีหลักธรรมคันสอนของปิตาเรียกว่าครองเรือนครองรัฐจะเลือกตรงไหนค่ะคนเราก็ส่วนมากกขอเจริญพรพี่น้องพุทธศาสน์เข้าใจผิดเยอะการมีครอบมีครวัวนี่แสนจะยากสําหรับคนที่มีคุณธรรมไม่ลายกุลภาพอันนี้ต้องพูดให้ยาวนิดหนึ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเลือก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 หนึ่งรูปสวยสองวรวยทรัพย์สามนับวิชาสมีมารยาค่ะห้าเป็นชาติปุจิหกมีสินทรัพค่ะอันนี้เป็นวิชาเลือกคู่ใครสอนผูเจ่าสอนคำว่ารวยทรัพย์หมายหมายคำว่ามีมีเงินมีค่ะมีอริยทรัพย์ค่ะทรัพย์ภายในจะมีทรัพย์ภายนอกนี่เขาเรียกรูปสวยวรวยทรัพย์ ลวกสวยสวยเลยสวยด้วลูกประธรรมสวยด้วยนมามธรรมค่ะสวยนอกสวยในสวยเจ็ดสวยใจค่ะรวยทรัพย์ออริยทรัพย์ภายในมีไหมคุณลับัตินี้มีไหมค่ะละักษณะภายนอกมีมีวิชาไหมนับวิชาไหมมีวิชาความรู้ ด, ดีเป็นชาติผู้ดีไหม ห้าไม่เป็นชาติผูดีมีมารยาทเป็นชาติผูดีมีชินธรรมหกประาการอันนี้เป็นวิชัยที่เลือกเลือกคูดแต่ไม่ใช่หมายความว่าไปหาโมดูเดี๋ยวนี้ขเขาเจรินพรเสียใจยแทนหลือเกิดแม่ไม่ดีเอาวันเดือนเปยผู้ชายเอาวันเดือนเปยผู้หญิงเอาไปดูตรงกันไหม วันได้เดินถึงเปน็นคู่กันแล้วแต่งงานการพิหวังหน้าสุดาจุดมุ่งหมายข้อที่สองต้องการจะดูตรงไหนข้อค้อนเจริญพรจิตใจเข้ากันได้ไหมนี่ข้อสองนอกเหนือจากดูข้อหกหนึ่งถึงหกแล้วดูข้อสองต่อไปจิตใจเข้ากันได้ไหม ค, คุณเคยกันไหมลูกนิสัยใจคอกันไหมมีความความรู้เสมอหน้าเสมอตากันไหมแล้วอัญชยาใส วิสายท้ายกว้างไกลไหมไ ม, มีมันยีดสัมพันธ์หรือเปล่าแล้วมีเมตตาหรือเปล่าค่ะแล้วก็คนนั้นมีกระตันอยู่ไหมกระตวเวทิตาทำต่อคุณพ่อคุ ณ, คณแม่ไหมถ้าอันนั้นเข้ากันได้ธรรมะทิดว่านั่นแหละเป็นการเลือกคู่ที่ถูกต้องค่ะแล้วการเปร็นน้คู่ที่ถูกต้องการจะฝังหลักโตกเรือนแทนสักอย่างต้องหลายอย่างและประการที่จะมีความสุขแต่ธรรมาผู้เป็นตอนแร ก, ก ค่ะว่าเลือกคู่ต้องมีหกประการข้อสองต้องจิตใจเข้ากันได้ค่ะมีความรู้เที่ยกันอัจฉริยะสายใกล้เคียงกั น, กนค่ะและเพรศเดียวกันเฉพาะกิวกันค่ะ่เลือกอันนี้ก่อนคนเราเนี่ยเลือกคู่แล้วคะจะอยู่เย็นเป็นสุขต้องมีเรือนนอกเรือนในเรือนใจอันนี้เป็นข้อต่อไปค่ะไม่ใช่เอาเอานี้เป็นข้อแรกการเลือกคู่นั้นมีหกประการและข้อสองจิตใจเข้ากันได้ไหม แล้วข้อต่อไปปลูกเรือนแล้วค่ะจะอยู่เย็นไปสุดหรือไม่ค่ะเป็นข้อต่อไปหนึ่งเรือนนอกสองเรือนในโบราณท่านว่าไว้เรือนในก็คืออะไรเรือนในสำคัญที่แม่บ้านการเรือนเรือนผมสะอาดค่ะเรือนผมต้องสะอาดต้องยาสกโกตกสองเรือนนอนคสามเรือนครัว นี่เรือนข้างในในบ้านค่ในเรือนสร้างอารมณ์ให้ดีคท่านสรทอาจารย์ ด, ดรลยตั้งแต่เช้ามาถึงขนาดอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างเี้ยค่ะในเรือนในหุ่ใจยาละหลวมเหรอแหละเลวไหลต้องเอาช่างขึ้นมาดูแต่ชูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเหล่าฝ้าจะวัดเป็นเรือนนายสำคัญมากเรือนนายคืออหลร คือจิตใจค่ะ<ก><น>จิตใจเป็นธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์ค่ะรับรู้อารมณ์มื่อใดเป็นวรรณะเหมือนเทพประดุษเสียงถ้าทําใจสบายทําใจให้เป็นปกติแล้วจะเรียกเงินก็ไหลนองเรียกทองได้มาบ้านนั้นจะมีแต่ความสุขความสงบมีคันตึกทำอดทนเหมือนม่านมีเสาเรือนค่ะแม่นหนาฝาข้างไม่เป็นคนละล้วมรอดแหละเล้วไหลาแต่ประการใดนี่แหละในหลักพุทธศาสนาค่ะมีสติปัญญา ศีลแปลว่าสะอาดค่ะสมาธิแปลว่าพังในมั่นคงทาวรค่ะปัญญาแปเลว่าแก้ไขปัญหาได้ก็ขอเจอเริญพรอย่างนี้ถูกต้องแล้วขอเจอเริญพรค่ะกลับกลับขอบพระคุณหลวงพ่อคะ่ะท่านผู้ชมทางบ้านคงจะทําความเข้าใจนะคะว่าในเรือนในเรือนนอกเลยนะคะก็สําคัญก็คือในตัวของเราเองเนี่ยนะคะเราจะทําเรือนให้เป็นสุขก็ต่อเมื่อตัวเราเป็นสุขนะคะรักษาอารมณ์ของเราได้ควบคุมโลค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 ต่อไปนะคะจะเห็นได้ว่าในการที่จะปลูกฝังธรรมะไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปเรียนกันตอนแก่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 เพราะฉะนั้นน้องๆ น, นะคะที่ดูการ์ตูนแล้วก็ติดตาม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 เบเจอรัตนพัฒน์บริษัทรัตนธทําได้ค่ะโอ้แม่ไม่มีที่ไหนในโลกชัยยาศรนากัตตาพุทธาเชตะวามารังสวหาหัตตังจตุสัจจาสัพพังระสังเยติวิงสุกนาราสภาตัญหากราธิโยพุทธาอัตถวิสตินายกาสเปปจิติตาสำหรับรุ่นของใบเตยเนี่ยนะคะสามารถทําความดีอะไรได้บ้างและทําได้อย่างไรคะ